บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปเนื่องจากวันนี้เป็นวัเป็นวันถวายเพลิงประสุสมเด็จพระสังฆราชอย่างที่ได้ทราบกันแล้วในเรื่องนี้ถ้าหากว่าเรานำมามองในแนวของ กรรมฐานที่พุตเจ้าได้ส่งแสดงไว้เราก็สามารถใช้หลักของกรรมฐานในหลายข้อมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาพิจิตรพิจารณาและสร้างความสงบไปเกิดขึ้นไปในจิตใจจะอาจจะมองในแนวของธรรมานุสติคือตั้งสติตามระลึกถึงธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ไปทรงแสดงไว้และที่มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็น้อมนำมาตรวจสอบดูที่ตัวเองเรอจะมองจากสังขารนสติคือการตั้งสติตามลึกถึงคุณของพระสงค์ที่ได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบแผบบนสืบต่อกันมาและคุณเหล่านั้นก็ปรากฏในองค์สมเด็จพระสังฆราช เราก็น้อ ม, ม น, อมนำมาชียบเคียงกับการประพฤติปฏิบัติของเราว่าสอดคล้องผสมกล่มกลืนกันหรืออยู่ในแนวทางเดียวกันหรือไม่เรืจะมองไปในแนวเทวตาโนสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงคุณธรรมที่ทําบุคคลให้เป็นเทวะคือเป็นผู้ประเสริฐทั้งโดยการอุบัติทั้งโดยการประพฤติปฏิบัติและทั้งโดยชาติกําหนึ่ เราจะมองไปในแนวของมนัสติคือการตั้งสติตามระลึกถึงความตายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายแม้สมเด็จพระสังฆราชหรือว่าจะเป็นใครก็ตามก็ตกอยู่แดมหน้นาของความตายเราจะมองในแนวของปรมุิหารทั้งสี่ประการซึ่งเป็นคุณธรรมที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ แล้วก็มีอยู่ในองค์สมเด็จพระสังฆราชแล้วก็น้อมนําธรรมเหล่านั้นมาเทียบเคียงกับตนเองว่าตนเองมีคุณธรรมเหล่านั้นอยู่หรือไม่แต่ก็มีมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเป็นตน้บนบพะในแนวของการประพฤติปฏิบัติจะเป็นสมถะกรรมฐานก็ตามวิปัสสนากรรมฐานก็ตามหรือแม้แต่การวิจัยธรรมการสอดส่องธรรมการพิจารณาธรรม ตามหลักของพระพุทธเจ้าและก็ของพระหันทั้งหลายนั้นอยู่ที่ท่านสามารถช่วยโอกาสหาประโยชน์จากสิ่งต่างๆที่ท่านก็ไปเกี่ยวข้องในขณะนั้นๆโดยไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบอะไรชัดเจนแต่ว่าโดยอาศัยพื้นฐานของสติสัมปชัญญะและความเพียร ที่เป็นคุณธรรมมันจำเป็นในการปฏิบัติกรรมฐานส่งเสริมสนับสนุนให้ก็พร้อมที่จะได้ประโยชน์จากสิ่งเดียวนั้นไม่ว่าจะเป็นการมองจากแง่ของสภาวธรรมในแนวมรณะสติเป็นต้นหรือมองจากแง่ของคุณธรรมในแนวของธรมานุสติแล้วก็พรมิหารเป็นต้น จะมองในในแนวของการปฏิบัติธรรมเช่นสังขารุสติเป็นต้นบุคคลก็จะได้รับประโยชน์ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเฉพาะในที่นี้จะนำท่านทั้งหลายไปศึกษาพินิษพิจารณาในแนวของสังขารุสติคือการตั้งสติตามลึกถึงคุณของพระสงค์ที่เป็น จุดสมบูรณ์นั้นอยู่ที่ประสังครัตนะแต่ว่าในแนวของการ ป, รปฏิบัติแล้วพุทธบริษัททั้งหลายนั้นเมื่อพูดถึงระดับของการปฏิบัติก็จะต้องสอดคล้องผสมกลมกลืนกับคุณของพระสงฆ์ทั้ง4ประการข้างตน้นส่วนห้าประการข้างหลังนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติใน4ประการข้างต้นเท่านั้นเอง ในการาศาึกษานั้นก็อาจจะศึกษาจากรูปลีลาชีวิตอย่างที่เราศึกษาประวัติของพระเถระอารหรันต์พระเทรีอรหันต์ทั้งหลายนั่นเองนั่นก็ได้ในแนอยงหนึง่งเรียกว่าศึกษาตามประวัติที่แสดงออกซึ่งคุณธรรมนั้นๆและคุณธรรมเหล่านั้นก็ไม่ได้เจาะ จ, จงอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งหรือในกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จริงมันก็มีกระจายอยู่ ในบุคคลทั้งหลายและในการทั้งหลายสำเด็จประสังราชโรงนี้ถ้าโดยฐานะพื้นฐานตั้งเดิมก็เป็นที่ประจักษ์ในที่ทั่วไปว่าเป็นลูกชาวนาที่มีฐานะปานกลางแบบชาวนาแต่ก็สายความสนใจการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมจากญาติผู้ใหญ่ที่ เป็นพระภิกษุอยู่ก่อนก็นาเข้ามาบวชเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนาในช่วงนี้เราจะเห็นองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลงในด้านสถานะดั้งเดิมของตนเองได้เราจะเห็นว่าในแง่ของชนกกรรมที่ทาให้บุคคลบังเกิดนั้น เราไม่รู้ว่าเราบังเกิดด้วยชนุก ก, กรรมอะไรกันแน่เพราะว่ากรรมที่ได้กระทําไว้ในชีวิตของแต่ละคนนั้นมีมากมายเหลเกันปณาวกรจะดับจิตนั้นจิตดเดียวเอากรรมอะไรไว้เราจะมีกุศลกรรมอยู่เป็นอันมากก็ได้แต่ในขณะนั้นจิตมันเกิดเศร้าหมองขึ้นเป็นเดียวเอาอากุศลกรรมการบังเกิดในคติพบต่อไปก็อาจจะไม่ดีก็ได้ แต่เมื่อมีกุศลกรรมเข้ามาสนับสนุนแล้วก็มีการตัดรอนมีการแปรผันสถานะดั้งเดิมของบุคคลได้เช่นเดียวกันทีนี้ก็อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขของกรรมเราสามารถจะมองจากประวัติชีวิตของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ได้อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องที่ท่านใช้คำว่าอาเสวนปัจจัย ได้แก่ปัจจัยเกี่ยวกับการสร้งเสพการคบหาสมาคมกับบุคคลกับสถานที่กับสิ่งต่างๆซึ่งมีติิพลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านดีและด้านไม่ดีแก่บุคคลทั้งหลายในข้อ น, นี้เราเห็นได้ชัดว่าโดยคติคือสถานที่เกิดนั้นมีลักษณะไม่ค่อยเกื้อกูลเท่าไหร่ต่อการเจริญเติบโตแต่ว่าอาศัยการคบหาสมาคมกับบัณฑิต การยกย่องเป็นเหตุให้มีความคิดยกย่องบูชาบุคคลที่ควรแก่การยกย่องบูชาในความคิดในลักษณะ น, นี้ที่จริงแล้วมันจะต้องอาศัยพื้นฐานคือบุญกุศลที่บุคคลกระทาไว้ในปางก่อนมันเป็นอนุสติมันกระตุ้นเตือนมันกลายเป็นสิ่งราวให้บุคคลเกิดความใฝ่ใจเกิดความสนใจที่จะ ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นประในแง่ของความเป็นจริงแล้วบัณฑิตทั้งหลายนั้นก็มีอยู่ในที่ต่างๆแม้แต่ยุคสมัยของพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ า, ม, จามีพระราหารันมีพระยะบุคคลอยู่เป็นนั้นมากและคนเหล่านั้นก็เคยเกี่ยวข้องพบหานสนทนาปราศัยกับพระพุทธเจ้าและพร ะ, พ า, ะรานทั้งหลายแต่พื้นฐานทางบา ร, รมีธรรมภายในใจของคนเหล่านั้นมีไม่มากพอ แล้วก็ไม่ให้ความสําคัญแก่พระพุทธเจ้าไม่ให้ความสำคัญแก่รพกระหานทั้งหลายแต่กไ็ได้รับประโยชน์อะไรจากเรื่องดัง น, นั้นจากบุญกุศลและการคบผาสมาคมกับคนดีที่เป็นบัณฑิตนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้านพบคือสถานที่เกิดแทนที่จะอยู่กลางทุกนาเหมือนเดิมก็กลับเข้ามาอยู่ในสํานักของนักปราชญ์ของบัณฑิต จะสนใจศึกษาประพฤติปฏิบัติจะผ่านเบื้องต้นก็จบความรู้ธรรมดาจากนักเรียนที่เป็นชาวนาทั้งหลายแต่ข้อที่น่าสังเกตว่าในการศึกษาก็ดีในการประพฤติปฏิบัติได้ดีก็ดีนั้นมีการสำเนีกได้รวดเร็วคือมีจิตสำนึกที่จะประพฤติที่จะกระทำให้ได้ในเวลารวดเดียว เราจะสังเกตได้ว่าจะประทับอยู่ในที่ใดก็ตามปะยาบทนั้นจะตรงคือประทับนั่งตรงอยู่อย่างนั้นแม้ประชนจะมากแล้วข้อนี้ก็เกิดขึ้นจากในสมัยที่ยังเป็นสา ม, เมัเณรอยู่ท่านนั่งหลังคูอยู่ข้างหลังแถวแต่เจ้าคูองหนึ่งท่านเดินเข้าไปทางด้านหลังท่านก็ไปเคาะหลังถึงทีเดีบอก็นเนร นั่งในหลังตรงๆโดยประโยคสั้นๆเพียงเท่านั้นเองเกิดมีการศึกษาสำเนียที่จะประพฤติปฏิบัติตามคำแนะนำของพระแล้วก็รักษาคุณลักษณะเหล่านั้นมาได้ตลอดครนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนที่เราเรียกว่าอาชานัพยพระเจ้าทรงแสดงรูปลักษณะของช้างของม้าอาชานัยมาเทียบกับบุคคลประเภทที่เรียกว่า เป็นบุคคลอาชาไในหรือบุรุษอาชาไในคำว่าบุรุษอาชาไในนั้นที่จริงเป็นสาธารณนามคือนามทั่วไปแก่บุคคลทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นบุรุษหรือว่าเป็นสตรีแต่ท่านใช้คำรวมๆ ว, ว, ว่าบุรุษลักษณะของสัตว์อาชาไในที่เทียบโดยมาอาชาไในนั้นมาอาชาญในบางอย่างรู้ความคิดของผู้ที่ ขับขี่ตนไปสามารถที่จะไปในสถานที่ต่างๆได้ตามที่เจ้าของก็ต้องการถึงว่าที่จริงขนาดนี้ก็มีอยู่น้อยอีกประเภทหนึ่งนั้นมีคุณสมบัติที่ลดลงมาคือแม้แต่เพียงเห็นเงาของแท่แต่นั้นเดงกก็จะไปในที่ต่างๆได้ตามความประสงค์ของเจ้านายอีกประเภทหนึ่งนั้น จะต้องได้ยินเสียงแท้สก่อนจึงสามารถจะทำได้จะไปได้อีกอีกประเภทหนึ่งนั้นจะต้องตีลงไปด้วยแท้เสียก่อนจึงจะจึงจะสามารถไปตามความประสงค์ของผู้ที่เป็นนายได้แล้วก็ส่งนำมาเทียบเคียงกับบุคคลที่เราเรียกว่าผู้ที่ควรฝึกหรือผู้ที่ฝึกได้นั้น ก็เกิดจำแนกแบ่งแยกออกไปอย่างที่ทราบกันคือแบ่งแยกคนออกไปเป็นสประเภทซึ่งเราจะเห็นว่าคนที่ได้รับฟังการแนะนำการชี้แจงการสั่งสอนจากผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ของตนเป็นตนนั้นบางอย่างเรื่องเดียวก็สอนกันแล้วสอนกติแต่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บางคนเพียงมองตาเท่านั้นเอง ก็รู้แล้วว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอย่างไรเพราะการที่เป็นผู้มีความศึกษามีความสำเนียกได้ในเวลารวดเร็วนั้นจึิเป็นคุณสมบัติของบุคคลที่เราเรียกว่าอาชาติในจะใช้ได้ทั่วไปในที่ทั้งหลายก็ได้นบุคคลทั้งหลายเพราะที่จริงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงนํามาแสดงนั้นถ้าในแง่ของประวัติศาสตร์ของธรรมะเหล่านั้นแล้ว แต่เชนว่าธรรมะแต่ละหมวดที่ทรงแสดงและรวบรวมเอาไว้ในที่ต่างๆนั้นสำหรับคนฟังในครั้งนั้นเมื่อตั้งฟังแล้วท่านก็บรรลุธรรมท่านได้มักได้ผลไปจากการฟังธรรมะสั้นๆเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าจะต้องเอาธรรมะมาเทศน์ตั้งมากมายแก่ก อ, องเช่นยกตัวอย่างว่าทรงสอนว่าธรรมะสองประการ มีอุปการะต่อบุคคลทั้งหลายเปน็นดังมากสมประการคืออะไรบ้างธรรมะสมประการหนึ่งนั่นคือสติได้แก่ความระลึกได้หนึ่งสมิญญะคือความรู้ตัวหนึ่งดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมะสมประการนี้มีอุปการะแก่บุคคลทั้งหลายเปน็นดังมากสำหรับคนฟังในครั้งนั้นก็ด้วยพระดารัสเพียงเท่านี้ท่านก็น้อมนาไปประพฤติปฏิบัติ จนได้รับผลจากการประพฤติปฏิบัติได้ซึ่งแสดงว่ามีความสาเนีกในเรื่องต่างๆได้อย่างรวดเร็วประเภทของบุรุษอาชาหนายหรือประเภทของบุคคลอาชานัยนตัวอย่างตัวอย่างที่ท่านทั้งหลายคุณๆเขีนภาษาดีบุตรก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีได้ฟังคำสอนของปราสาจิเทระเพียงสองบรรทัสัน้น ว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระธราคตเยา้าส่งแสดงเหตุแห่งทำนั้นและความดับแห่งทำนั้นประมาสพณะมีปกติตรัสอย่างนี้ด้วยข้อความเพียงสั้นๆทน่านี้สำหรับคนระดับนั้นก็สามารถที่จะได้ดวงตาเห็นธรรมสรุปรวมโลกมองโลกทั้งปวงด้วยข้อความที่สั้นๆว่า สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาซึ่งนั้นทั้งหมดจะมีความดับไปเป็นธรรมดาตืงหมายความม่จะเป็นสังขารอะไรก็ตามเป็นอนดีต ก, ก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเร็วก็ตามประณีก็ตามสิ่งเหล่านั้นเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วถึงจุดเด่งก็จะต้องแตกทาลายไป ทำให้บุคคลได้มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งสองทั้งสี่ด้านด้วยกันคือด้านที่เป็นสภาวธรรมที่มันเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยด้าในที่สุดจะต้องแตกสลายไปก็จะมีความรู้เท่าทันต่อสภาวธรรมเหล่านั้นพยายามที่แกดำรงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงก็พยายามใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นกว่าแกจะแตกลับไป แต่การใช้ประโยชน์นั้นอาจจะมองไปที่อะไรก็ได้ที่วัตถุสิ่งของก็ได้ที่การเวลาก็ได้เพราะจริงการเวลานั้นเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้มันก็ไหลไปเรื่อยๆใครจะใช้ประโยชน์ก็ใช้ไม่ใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแต่ในขณะที่เราไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นชีวิตเราก็แก่กันไปในแต่ละนาทีแต่ล ะ, ละชั่วโมงแต่ละวันแต่เดือนแต่ละปีเราก็แก่เรื่อยๆเราก็เดินทางเข้าไปสู่ความตายเรื่อยๆ อันจากจุดนี้เราจะเห็นว่าถ้าเป็นบุคคลประเภทที่เรียกว่าอาชาในก็เจะมองการเวลาทุกขณะเป็นเรื่องที่ตนจะต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะพระพุทธเจ้าจึงมีพระพุทธธรรมปฏิตรัสเน้นในเรื่องนี้เอาไว้เป็นนันมากที่ว่าการเวลาย่อมกินสรรพสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเอง มันกินตัวมันเองด้วยแล้วกินอายุของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายได้ลกให้เคลื่อนไหวเข้าไปสู่ความตายอยู่ทุกขณะทุกขณะในความตายนั้นจะปรากฏเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ได้ทัำไปจึงทรงเน้นเตือนไว้ว่าขณะอย่าได้ล่วงเลยถือทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อยขณะให้ล่วงเลยไปนั้นจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการไปหลัง คนนี้ลองเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไปฉลอขณะหรือไปแก้ที่ตัวขณะเพราะจริงขณะนั้นใครแก่ฉลอไม่ได้อินิทานเรื่องรามเกียรติานุมานหยุดรถประอาทิตนั้นเป็นนิทานพูดได้แต่ว่าในแง่ของความจริงไม่มีใครหยุดการเวลาได้แก่ก็ไปอย่างที่แก่ไปแล้วก็ไม่มากไปน้อยแต่การที่จะรู้สึกว่ามากกว่าน้อยเป็นเรื่องของความรู้สึกของคนเองที่จริงวินาทีหนึ่งก็คือวินาทีหนึ่งในที่ทั้งปวง ชั่วโมงหนึ่งก็คือชั่วโมงหนึ่งในที่ต้งพวงแก่ก็ไปของแก่แล้วไปในลักษณะที่ไม่ย้อนกลับมาพร้องก็ดึงอายุดึงชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยนี้ก็สอนในแง่ของสภาวธรรมเคยมองธรรมะในแนวของสภาวธรรมคนที่เป็นบุรุษอาชานัยก็จะมองเห็นได้ว่าสภาวธรรมมันเป็นอย่างนี้แหละเราเองก็เป็นกระบวนการของสภาวธรรม เราก็เป็นอย่างสภาธรรมทั้งหลายดนั้นพระเจ้าจึงไม่ไปแก้ในเรื่องของสภาวรธรรมคือไม่สอนให้แก้ในเรื่องของสภาธรรมัเพราะเราแก้ไม่ได้แต่ว่าสอนให้ใช้สภาธรรมเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดอย่ารับสั่งว่าขณะอย่าได้ล่วงเลยท่านทั้งหลายไปเพราะคนที่ปล่อยขณะล่วงเลยไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภา่หลังทราบไปแล้ว อ่านไปแล้วประโยชน์ที่ควรจะเกิดมันก็ไม่ได้เกิดแล้วแต่ชีวิตเราก็แก่ไปแล้วยังทรงสอนรูปของชีวิตที่แม้มีอยู่เพียงขณะเดียวก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่เจริญเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วคราวนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองมองดูว่าคนจะตกนรกก็ดีจะขึ้นสวรรค์ก็ดีจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็ดี จะกลายเป็นคนดีเป็นคนชั่วก็ดีที่จริงมันเป็นเรื่องของขณะหนึ่งเท่านั้นเองเราอาจจะทําดีมามากม า, กายกายกองแล้ววูบเดียวของอารมณ์อาจจะฆ่าใครก็ได้หรืออาจจะขับรถได้ตกถนนไปเสียก็ได้หรืออา จ, จะทําความดีจนบรรลุมรคผลไปก็ได้เพราะการบรรลุมรคผลนั้นก็วูบเดียวขณะเดียวแม้แต่การดับจิตจะไปเกิดในนรกสวรรค์ที่จริงมันก็วูบเดียวขณะเดียวเท่านั้นเพราะเรื่องขณะจึงกลายเป็นเรื่องที่มีความสําคัญมาก ขณะทั้งหลายก็มาต่อกันข้าวก็เป็นการเวลาเป็นนาทีเป็นชั่วโมงแต่พระเจ้าทรงเน้นไปที่ตัวขณะคือไม่ได้พูดยาวๆอย่างนั้นบ่อยๆนักถ้าในแนวของการประพฤติปฏิบัติระดับสมถกรรมฐานแล้วท่านเรียกว่าชากริยานุโยคคือประกอบความเพียรโดยความเป็นผู้ตื่นตัวอยู่เสมอจนถึงกับคุณลักษณะของพุทธสาวกคือพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั้นได้รับสั่งว่าสุภบุษพังประพุทธชันติ สดาโคตมาสาวกาสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ตื่นอยู่ด้วยดีแล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อเป็นผู้ตื่นทั้งกลางคืนและเป็นผู้ตื่นทั้งกลางวันและพยายามที่จะใช้ขณะเหล่านั้นให้บันเกิดประโยชน์เกิดสาระขึ้นมาจริงๆอย่งางที้ทรงตอกย้ำไม่ว่าความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทําทเสียในวันนี้ทีเดียว ใครจะรู้แล้วว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้เพราะเราทั้งหลายไม่สามารถจะผัดเพียนต่อมั จ, จุราชผู้มีเสนาใหญ่ไปได้เลยนี่จะเห็นได้ว่าเมื่อความตื่นตัวบังเกิดขึ้นภายในจิตมีความสำเน็กรู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายที่เป็นสภาวธรรมบุคคลก็จะสามารถหาประโยชน์จากสภาวธรรมเหล่านั้นได้แล้วกลายเป็นผู้ตื่นตัวอยู่ พยายามสแสวงหาประโยชน์จากสภาวธรรมเหล่านั้นในระดับต่างๆจนถึงมรรคนิพพานไปแต่บางครั้งก็อาจจะมองจากแนวของการแสดงออกซึ่งผลจะเป็นด้านดีก็ตามด้านชั่วก็ตามพระเจ้าก็สะท้อนออกมาทั้งสองด้านจริงๆทั้งสาด้านคือทั้งหมดก็สะท้อนทั้งสี่ด้านนั่นแหละคือตามโครงสร้างของอริยสัจสี่ เราจะเห็นว่าบางครั้งนั้นเรามองไปที่ผลซึ่งประสบความสําเร็จในด้านต่างๆของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ปลูกฝังชั้นท่อุตสาหะที่จะได้ที่จะมีที่จะเป็นอย่างที่ท่านได้ที่ท่านมีที่ท่านเป็นอย่างเรามองจากปร ะ, ประวัติของเจ้าขุนสมเด็จพระสังก拉萨พระองค์นี้ เราเห็นว่าเกียรติประวัติต่างๆที่เกิดขึ้นและการยอมรับนับถือจากประชาชนทั้งหลายจนได้สถานะสูงสุดในคณะสงฆ์เป็นผลที่ต่อเนื่องยาวนานของการศึกษาการประพฤติปฏิบัติการกระทำให้สมบูรณ์ด้วยศีลและอาจาระของท่านที่เป็นฐานยอ ง, องรับอย่างมั่นคงและคุณธรรมความดีเหล่านั้นก็อตัวสะสมขึ้นเรื่อยๆ เป็นลักษณะของบารมีธรรมอย่างที่เราพูดกันคือบารมีนั้นไม่ได้เจาะจงเฉพาะเรื่องอดีตแต่ว่าการกระทําความดีเมื่อไรก็ตามที่มีการเก็บไว้การสะสมไว้บ่อยๆก็กลายเป็นบารมีธรรมที่จะขจัดความชั่วขจัดอันตรายขจัดอกุศลให้สงบระงับตับลงไปโดย ด, ดําๆก็เหมือนกระน้ํา ที่คุณตะกรถูกกระจัดลงไปโดยน้ำใสโดยดำดำน้ำก็ใสขึ้นโดยดำดำเป็นที่พอใจใช้สอยอุปโภคบริโภคของบุคคลทั้งนั้นเพราะการเพิ่มพูนขึ้นของความดีที่ได้มีการเก็บการสะสมไว้เป็นนานๆนั้ น, น, น, น, นเราจะเห็นว่าก็เพิ่งมา ปรากฏงานที่เป็นรูปธรรมแพร่หลายเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สังคมในช่วงหลังคือช่วงประมาณ16ปีหลังที่เป็นประโยชน์ได้มากมายได้เกิดงานเหล่านั้นได้แผ่กระจายไปทั้งภายในวัดทั้งภายนอกวัดทั้งแก่เยาวชนทั้งแกพ่พฤทธชนคือคนท่าคนแก่และคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆตลอดถึ ง, ง, ง, ง, ง, ง, ง, งพุทธศาสนิกชนปกติธรรมดาทั่วไป นั่นเพราะอะไรเพราะว่าพื้นฐานก็บา ร, รมีที่สร้างสมบูรณ์มา70็ดสิปีแล้วก็แสดงอาการออกมาเป็นรูปธรรมที่คนก็สัมผัสได้ก็เห็นกันได้แล้ว ก, กลายเป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั้งหลายแล้วเราก็จะเห็นสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการกระทำความดีตามปกติแล้วคนเรานนัใจร้อนคือทําอะไรแล้วก็อยากได้ผลนั้นเร็วๆ เช่นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องการรับผลเร็วๆสงบเร็วๆกิเลสหมดไปเร็วๆไอ้ยถามเร็วๆได้ไหมเมื่อก็บอกว่าได้เรียว่าได้สม บ, บุคคลบางคนบุคคลประเภทที่เราเรียกว่าอุกติตันยูคืออาจรู้ธรรมพยกหัวข้อคื อ, อแสดงพวกนี้ก็เร็วได้เราพูดธรรมะเพียงสองบรรทัดท่านก็บรรลุมรผลได้ถ้าว่าเราอยู่ในประเภทนั้นเราก็ไปได้ แต่าการที่เราไม่บรรลุรวดเร็วอย่างนั้นแสดงว่าเราไม่อยู่ในประเภทนั้นแต่คงจะไม่ถึงกับเป็นดอกบัวที่เป็นพักษาของปลาได้เต่าอะไรคงจะอยู่ประเภทสองหรือประเภทที่สามอย่างใดอย่างหนึงน่งหนเองถ้าหากว่าบุคคลได้พยายามกระทําไปเรื่อยลักษณะบา ร, รมีที่บรรดาลคือบุญบรรดาลมันก็จะต้องเกิดขึ้นเราเห็นได้ชัดว่า บุญบันดาลที่เกิดขึ้นแก่เจ้าคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้านั้นแก่สมเด็จพระสังฆราชนั้นก็ได้เกิดในช่วงหลังคือหลังจากเจ็ดสิบกว่าปีมาแล้วหรือแม้แต่หลวงปู่แหวนที่เราก็รบนับถือการและรู้จักกันแพร่หลายที่จริงบารมีธรรมเหล่านั้นก็เพิ่งมาเกิดเมื่ออายุตั้ง8ปดสิกว่าปีแล้วแต่ท่านก็สร้างสมบุกสมบันนานจนถึงกับมีคนไปกราบเรียนถามท่านว่า หลวงปู่ลูกปฏิบัติกรรมาฐานไม่สงบเลยจะทำยังไงดีหลวงปู่ท่านบอกหลวงปู่ก็เหมือนกันหลวงปู่ก็ต้องทามานานมันก็ไม่สงบเหมือนกันนี่แสดงให้เห็นเรื่องการสะสมมันเป็นหน้าที่ของบุคคลที่ทำได้ในตอนใดตั้งก็สอนให้ทำในตอนนั้นส่วนผลในรูปของการบันดาลออกมาในด้านใดก็ตามก็เป็นเรื่องของการเวลา ก็อยู่ในโครงสร้างที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเหมือนบุคคลหวานพืชชนิดใดชนิดหนึ่งก็จะต้องได้ผลแห่งพืชชนิดนั้นทําความดีจะได้ผลดีทําความช่วยจะได้ผลชั่วแต่ปัญหาว่าพืชชนิดไหนล่ะพืชบางชนิดเวลาไม่นานมันก็ได้ผลพืชบางชนิดเวลาต้องนานจึงจะได้ผลเพราะงั้นก็เป็นตัวอย่างที่สามารถมองได้จากประวัติของสมเด็จพระสงรังฆราชอีกประการหนึ่งก็มาสรุปหลักเกณฑ์สําคัญที่ ท่านสนังกุมารพรมได้กล่าวไว้ต่อพระพักพระพุทธเจา้าและพระเจ้าได้มารับสั่งแก่ภิกษุบ้างแก่พุทธบริษาททั้งหลายเป็นต้นบ้างเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นแสดงสัจธรรมเป็นกรรมวาจีคือกำหนดความดีหรือไม่ดีของคนอยู่ที่กรรมของคนคือการกระทําของบุคคลที่จริงแล้วในขณะนั้ น, น, น คือทำในขณะนั้น น, นให้ลองสังเกตเราอาจจะเป็นคนดีมาตั้ง20ปี30ปีตอนนั้นก็ถูกกำหนดว่าเป็นคนดีเพราะเราทำดีแต่ไ้ช่วงหนึ่งเราเกิดพลาดเกิดทำผิดอะไรเราก็เป็นคนชั่วเพราะเราทำชั่วแล้วคนที่ชั่วช่วมาตั้งหลายๆปีนั้นในช่วงหนึ่งเกิดทำดีท่านก็กำหนดว่าเป็นคนดีเพราะมีการกระทำดีในขณะนั้นๆถึงตัวอย่างใหญ่เช่นประโจนุกริมาณเป็นต้น รั้นหลักการเหล่านี้ที่พระเจ้าทรงแสดงว่าคนจะเป็นคนเ ล, นเลวไม่ใช่เพราะชาติสกุลเป็นคนดีก็ไม่ใช่เพราะชาติสกุลแต่จะเป็นคนดีหรือเป็นคนเลวก็เพราะการกระทําำเป็นการแสดงว่าผลจากการศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นจะทําให้บุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงสถานะอะไรต่างๆมาต้นได้ อย่างที่ท่านสนางกุมารพรมกล่าวไว้และพระเจ้ายอมรับว่าในหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั้นกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านผู้สมบูรณ์ในวิ ช, ชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายาการศึกษาธรรมะที่เป็นรูปธรรมก็ดีจากองค์ธรรมที่เป็นนามธรรมก็ดี บุคคลสามารถนํามาตรวจสอบนํามาพินิษพิจารณาดูกุศลธรรมที่มีอยู่แล้วภายในตนแล้วก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นหรือว่าดูอกุศลธรรมที่เห็นว่าไม่อยู่ภายในตนและพยายามลดละผ่อนคลายลงไปในจิตความสะอาดในพฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาความสงบที่เกิดขึ้นภายในจิตใจ และความรุ่งเรืองสว่างสวยด้วยปัญญาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเพิ่มพูนขึ้นโดยลาดับและเมื่อกําลังแห่งกุศลลธรรมเหล่านั้นแก่กราบมากขึ้นผลที่ท่านทั้งหลายในอดีตได้สัมผัสมาแล้วในระดับใดก็าตามบุคคลผู้นั้นก็จะได้สัมผัสผลนั้นตามกำลังความสามารถแห่งตนและผลเหล่านั้นเมื่อเรามาสรุปรวมแล้วก็จะพบว่า เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติที่เราสวดสาธยายกันว่าพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเป็นธรรมเป็นผู้ปฏิบัติสมควรโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าสมควรนั้นถ้าเราแปลอีกในยะหนึ่งก็คือเป็นนายเหนือกิเลสทั้งหลายในระดับสามัญชนทั่วไป หรือทำยังไงจึงจะเป็นนายเหนืออารมณ์เหนือกิเลสทั้งหลายไม่จะถูกกิเลสถูกอารมณ์ทั้งหลายบังคับใช้เสื่อมสายไปแน่งลงต่างต่างให้ก่อกรรมคือมีการกระทําที่ไม่เหมาะไม่ควรอันมีผลเป็นความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่ตนโดยผลของการประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางสายนี้นอกจากจะเป็นสังขารนุสติแล้วยังเป็นการดําเนินไปบนเส้นทางของพระอรหันต์ทั้งหลาย จึงจะอำนวยผลเป็นประโยชน์เป็นเกื้อกูลและความสุขให้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแต่งตนตอนต่้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบเจ็บต่อไป